วันนี้ตอนเช้าก็เต็มห้องแล้วแล้วสายๆจะนั่งกันยังไงหพ่อจะต้องทำสองชั้นนวดีนะศึกษาธรรมะไว้ในโลกมีแต่ความไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนตลอดเวลาเงีนถ้าใจเรายังหวั่นไหวเวลากระทบกับโลกมันก็ต้องไหวไปทั้งชาติเลย เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันจะแบ่งตามโลกไปเรื่อยๆลักษณะของโลกนะมันประเภทมีลาบแล้วเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสารเสริญอย่างเงี้ยมีสุขมีทุกข์หมุนไปเรื่อยๆโลกไม่หยุด น, นิ่งนะถ้าใจเรามีความพร้อมนะใจเราอยู่เหนือโลกโลกเป็นยังไงใจเราไม่กระเทือน หัดใหม่ๆนะใจเหมือนเรือนะเราสังเกตไหมใจเราพวกที่หัดใหม่ๆใจเหมือนเรืออยู่ในน้ำคลื่นลมกระทบกระทั่งตลอดเวลาเลยบางทีก็รอดแรกบางทีก็จมไปเลยบางครั้งก็จมอยู่ในความทุกข์ได้นานๆถ้าเราฝึกมากขึ้นนะใจเราเหมือนเรือบินค่อยห่างโลกมาหน่อยใจยังห่างไม่มากห่างกิโลสอบกิโลหรือสิบกิโลยังกระเถือนได้อยู่ ลมพัดถูกอะไรยังกระเทือนอยู่ค่อยฝึกไปต่อไปใจเหมือนดาวเทียมนะใจเหมือนดาวเทียมโลกเป็นยังไงใจเราไม่เกี่ยวอะแต่ดาวเทียมยังมีวันตกไม่ก็หลุดนอกวงโครจอรนอยู่ต่อไปฝึกไปเรื่อยๆถนะ้าใจเราไม่มีที่จุดที่หมายที่กําหนดเหมือนไม่มีดาวเทียมด้วยงั้นไม่มีอะไรจะขึ้นจะลงอีกต่อไปละอย่างโลกนะมันมืดมันสว่างนะถ้าเราอยู่ในโลก เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวกางวันเดี๋ยวกางคืนพอเราออกไปพ้นจากโลกมันไม่มีกลางวันไม่มีกลา ง, งคืนเป็นสภาวะอันเดียวรวดใจที่ฝึกไปเรื่อยๆนะมันไม่มีแฝงขึ้นแฝงลงไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีกลางวันกลางคืนพ้นจากความสุขความทุกข์สิ่งเหล่านี้มาก็กระทบกระทั่งไม่ถึงมันมีแต่ความสงบมีสันติ เพฉ้พวกเราชาวพุทธนะเราภาวนาไปศึกษาปฏิบัติธรรมไปถึงจุดสุดท้ายเนะีเราจะได้สันติภาพมาัถ้าเราฝึกของเราไปได้แล้ววันหนึ่งเราจะมีสันติภาพมีสันติสุขมีความสุขมากเพราะว่ามันไม่ต้องกระทบกระทั่งไปกับโลกต้องค่อยๆฝึกไปทำไงใจเราจะอยู่เหนือโลกได้ใจเราต้องรู้โลกต้องรู้โลกแจ่มแจ้ง ถ้าใจเรารู้โลกแจมแจ้งแล้วเราถึงจะอยู่เหนือโลกได้ถ้าเรายังไม่รู้โลกแจมแจ้งเรายังถูกโลกดูดเอาไว้อยู่บางทีโลกไม่ได้ดูดเรานะเราไปดูดโลกนะสังเกตไหมบางทีสภาวะของจิตใจสังเกตไหมบางทีจิตเราถล่มเข้าไปหาอารมณ์เองบางทีอารมณ์ก็ขึ้นมาครอบงําจิตดูออกไหมมีหลายแบบเว่า ม, มันดึงดูดซึ่งกันและกันนั่นแหละ นี่เราภาวนาในวันหนึ่งเราจะพ้นจากแรงดึงดูดพวกนี้เนั้นต้องเข้าใจโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกไม่ใช่โลกอย่างนี้ไม่ใช่เ อ, อโลกในนิยามของศาสน า, าพุทธนะคือรูปกนาม a m คือกายกระใจนี้คือร่างกายจิตใจเรียกว่าโลกพระพุทธเจ้าบัญญัติกับว่าโลกคือกายยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งพรืบกว้างประมาณหนึ่งสอง อย่างหลวงพ่อก็หลายสอบหน่อยเกินมาตรฐานไปเป็นมาแต่บรรพบุรุษนะบรรพบุรุษหลวงพ่อมีคนหนึงต้องขายรถเก่งนะเราซื้อปิกั p มานั่งถ้านั่งรถเก่งแล้วเข้าประตูระบากนี <lawsuit> <ulously What S 1> ่คนทั่วๆไปก็โดยทั่วไปก็กายยาวาหนาคืบกว้างสองมีสัญญาและใจกลองเรียกว่าโลกซึรวมแล้วมีกายกับใจเรียกว่าโลก รู้โลกแจ่มแจ้งก็รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งรู้ยังไงเรียกว่ารู้แจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์งั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ความจริงของกายของใจเห็นไตรลักษในกายในใจเรียกว่าเรารู้โลกลำพังรู้กายรู้ใจเฉยๆแล้วไม่เห็นไตรลักษไม่เรียกว่ารู้โลกแจ่มแจ้งแค่รู้โลกเฉยๆแต่ว่าไม่แจ่มแจ้งถ้าแจ่มแจ้งต้องเห็นไตรลักษณ์ เั็นมิปัสนาจริงๆนะคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมิปัสนาจริงๆไม่ใช่การเห็นรูปนามอย่างที่เราเชื่อเชื่อกันหลายแห่งคิดว่ารู้รูปนามแล้วเป็นมิปัสนาไม่เป็นหรอกคนที่ทํำมิปั ส, สนาได้จริงๆนั้นมีนับตัวได้เลยนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เจริญมิปัสนาจริงส่วนใหญ่ไปเพ่งรูปเห็นรูปนะแต่ไม่เห็น achen, <z ul ji> รูปไม่เห็นความเกิดดับเห็นานามไม่เห็นความเกิดดับไม่เห็นไตรลักษณ์ ทำไมมันไม่เห็นใจรักทำไมไม่มีปัญญาเพราะจิตขาดเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดเยคือขาดสัมมาสมาธิในพระพิธรรมจะสอนในชฉันว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิไม่ใช่การเพ่งตัวอารมณ์พวกเราผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะที่หลวงพ่อเห็นเป็นนักเพ่งอารมณ์แทบทั้งนั้นนะ เวลารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูท้องพองยุบนะก็ไปเพ่งอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้าบางคนรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนไปเพ่งอิริยาบถ <c oughs> เพ่งกายทั้งกายเพ่ <c oughs> ตงตัวทั้งตัวนั่นก็คือการเพ่งเหมือนกัน เพ่งตัวทั้งตัวนัว้นจะรู้สึกต้องทําใจนิ่งๆสุดหน่อยแล้วก็เพ่งจ้องอะไรเงี้ยร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้หมดเลยใจจะทื่อๆกายทื่อๆใจทื่อๆการเพ่งตัวอารมณ์นะมีสัพเพเฉพาะชื่อว่าอารมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ ของอารมณ์ที่กาลังปรากฏอารมณ์นั้นหมายถึงรูปนามกายใจไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นนะไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นแล้วจะให้ดีต้องเป็นรูปนามกายใจของตัวเองด้วยอย่างบางคนเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วไปเห็นนี่พื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไปรู้มันทำไมไม่มีประโยชน์ไปรู้พื้นเย็นร้อนอ่อนแข็ง รู้อย่างนั้นนะไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วมีใครรู้สึกไหมตัวเราคือพื้นสิ่งใดที่เรียกว่าตัวเราายนี้ใจนี้เนี่ยไม่ต้องดูของคนอื่นดูของตัวเองคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจตรงที่รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยเรียกว่าเรามีสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานเนี่ยสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติรู้เรื่องอื่ น, นถ้ามีสติรู้อย่างอื่นเช่นไปนั่งเพ่งไฟ เพ่งเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะปจออยู่ที่เทียนเยไม่ใช่สติปัฏฐานที่จะใช้ทำวิปัสสนามันเป็นสติออกข้างนอกไปดะงั้นต้อสติปัฏฐานนะั้นมีสติรู้ระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นในการระลึก เมื S <S ่อจ the ิตมันตั้งมั่นขึ้นมาน่ยมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่มันจะเกิดปัญญาทันทีเห็นไตรลักษทันทีเห็นเวทนาทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตตสังขารโรคหลดหลงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเมื่อใจเราตั้งมั่นขึ้นมาใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต่างกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธินี่จิตเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์ไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์ จิตมันไหลเข้าไปส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยจิตไม่ไหลจิตตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์อยู่งั้นคนที่ได้ฟังธทำหรือทําสมาทากรรมฐานที่ถูกต้องนะจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาหรือบางคนเห็นสภาวะที่จิตไหลไปโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดพอเห็นสภาวะที่จิตไหลไปปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นเองถ้าทำฌานเนี่ยมันจะตั้งมั่นได้นานแต่ถ้าเห็นสภาวะแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะตั้งชั่วขณะ ได้แป๊บเดียวแต่พอจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยทุกอย่างไม่ใช่เรานะตัวจิตเองก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้ดูนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นมันขาดออกจากกันนะไม่ใช่เป็นสายเดียวกันรวดเลยมันขาดเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงนะถ้าเห็นอย่างนั้นได้ว่าสันตติมันขาดแล้วนะถ้าภาวนาจนสันตติขาดเรียกว่าขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้ว ฟังเหมือนยากนะตอนนี้คนทําได้มีเป็นพันพันละนะที่มานั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆไม่ยากจริงหรอกมันยากเพราะเราจับหลักผิดหลักของสติก็ผิดหลักของสมาธิก็ผิดปัญญาไม่เกิดสติที่ผิดคือสติที่ไปกําหนดจดจ้องสติไม่ได้แปลว่ากาหนดสติแปลว่าความระลึกได้สติทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเราไม่ต้องรักษาจิต สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะเกิดจากทีระสัญญาเพาั้นะพาดูสภาวะไปเรื่อยแล้วสติจะเกิดเองนะจิตจำสภาวะได้เนะี่ยสติที่เกิดเองเพราะว่าจิตจำสภาวะได้เนะี่ยถึงจะเป็นสติจริงๆนะสติที่กำหนดจดจ้องที่พวกเราส่วนมากผู้ปฏิบัติทำอยู่ไม่ใช่สติจริงๆหรอกมันเป็นการบังคับตัวเองมีโลภะเจตนาเจืออยู่แล้วก็ไปจ้องเอาไว้การจ้องไว้เป็นการกระทำกรรมอย่างหนึ่งนะ แล้วนะถ้ากระทํากรรมโดยมีโลภะเจตนาอยู่เบื้องหลังเี่ยโลภะเจตนาเ น, ะนี่ยในอภิธรรมบอกกิเลสเนะี่ยเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เราจ้องอยู่เราอยากปฏิบัติแล้วเราไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราจ้องอยู่ที่เท้าตลอดเนะี่ยการจ้องนะเป็นการกระทํากรรมอันนึ่งนะทำด้วยโลภะที่อยู่เบื้องหลังในขณะที่เดินตลอดสายของการเดินเนะี่ยโลภะยังครอบงําจิตอยู่ เพราะฉะนั้นในขณะนั้นจะไม่มีสติเลยนะเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสหรือเราหายใจนะเราอยากปฏิบัติอยากจะสงบอยากอะไรเงี้ยมันมีความอยากแล้วเราก็ไปรู้ลมจ้องอยู่ที่ลมมีกิเลสคืออยากแล้วก็ไปทํากรรมคือไปจ้องไว้ในขณะที่จ้องนั้นกิเลสยังอยู่กิเลสยังครอบงําจิตอยู่ในขณะนั้นสติจริงๆจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติเนีไม่ได้เกิดจากความจงใจให้เกิด นะถ้าอยากให้เกิดมันจะไม่เกิดเลยนะเพราะความอยากนั่นแะหละเป็นศัตรูของสตนะิเราก็ต้องฝึกนะให้ถูกหลักถูกเกณฑ์ในอภิธรรมเขาก็สอนไวช้ชัดๆเมืนะ่อสติเกิดจากทีระสัญญาจิตจําสภาวะได้แม่นนะหัดรู้จักสภาวะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่ยกตัวอย่างนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อไผ่สารท่านมาสายหลวงพ่อเทียน ว่านะเตียนเพ่งขยับมือขยับไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรอย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปคิดเรื่องมือนะขยับท่าสวยๆอย่างก็ไม่เป็นเราขยับของเราเองก็ได้ขยับแล้วคอรู้สึกไปรู้สึกตัวไปนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็น ค, ดคนดูเดี๋ยวก็เผลอไปอีก้วเผลอไปเพ่งรูปบ้างเผลอไปคิดเรื่องรูปบ้างขยับไปอีกขยับ้ปใจลอยไปเกิดนึกขึ้นได้นะระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะส่วนี้เคลื่อนไหว มันจำสภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวได้หรือจะรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้อะไรก็ได้รู้เล่นๆไปก่อนแต่เวลารู้เนี่ยอย่าถลำลงไปจ้องถ้าถลำลงไปจ้องอยังทำสมถะเท่า น, นั้นเองให้ดูห่างๆรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยกรรมฐานสายไหนก็ใช้ได้นะเหมือนกันหมดให้ใจมันเป็นคนดูไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยจิตมันจะจำสภาวะของรูปได้ นะรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งนะหรือบางคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อที่ไหมหัดรู้สึกตัวหัดดูจิตดูใจไปคนมาส่งกันบ้านบ่อยๆนะว่าเวลาไปอาบน้ําถูสบู่บ้างขัดที้ใส่บ้างนะอยู่ๆฉับพลันนะสติปัญญามันเกิดขึ้นมามันรู้สึกเลยนี่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วนะนี่เป็นท่อนๆ น, นี่เป็นวัตถุหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไหมมันล้างความเป็นผิดว่าเป็นเราออกไปนะค่อยฝึกนะัค่อยฝึก รู้สึกวันนี้หลวงพ่อเจะเทศยากเกินไปคนใหม่ๆเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นใหม่นะ เ, เวอร์ชั่นที่ยากไปลนะข้างหลังเริ่มงงแล้วเอาใหม่เอาใหม่เ อ, หมเอาง่ายๆนะเคยทำกรรมฐานอะไรนะทำต่อไปนะเบื้องต้นนะหากรรมฐานมาทำสักอันหนึ่งก่อนนะอะไรก็ได้จนะรู้ลมหายใจก็ได้จะรู้ท้องฟองยุบก็ได้ จะเดินจงกรมก็ได้จะรู้อิทิยาบทสี่ก็ได้จะดูเวทนาอย่างท่านโคเอนก้าก็ได้จะดูจิตก็ได้อะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยไกย่ด้วยใจเนี่ยเบื้องต้นทามันขึ้นมาสักก่อนแล้วก็คอยรู้สึกไปก็ยังยากอีกข้างหลังอุทธรอีกแล้วไม่ยากไปเอาไงดีวะต้องเล่านิทานนะต้องเล่านิทาน ใครไม่เคยมามีไหมอนนี้ยกมือให้หลวงพ่อดูสิอ๋อมีหน้าเหะเอาใหม่เอาใหม่เ อ, หมนะเอาง่ายๆเลยนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อภาวนามายัางไงหลวงพ่อตอนเด็กๆนะอายุเจ็ดขวบเนะี่ยพ่อพาไปตอนนั้นไม่ได้บวชเนร น, นะยังไม่ได้บวชหรอกอายุเจ็ดขวบ พ, พ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อดีวัดอโศการามท่านสอนให้หายใจ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับไปด้วยนะหายใจพูดโทรแล้วนับหนึ่งพูดโทรแล้วนับสองเนี่ยเรากลับมานั่งหายใจของเราไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้นะได้แต่ความสงบไม่ใช่ว่าท่านพอหลีไม่ดีนะไม่ใช่ท่านไม่เก่งแต่เราเพิ่งไปเรียนได้แต่เบสิกเรียนได้แต่แค่สมถกรรมฐานยังไม่ทันขึ้นมีปรัสนาท่านก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีอาจารย์สอนมีปรัสนาให้ หลวงพ่อเสียเวลาทำสามาธิอยู่ยี่สิบสองปียังหาอาจารย์ไม่ได้เสียเวลาอยู่ยี่สบสองปีนั่งหายใจไปเรื่อยนะหายใจแล้วจิตเนี่ยสงบอยู่กับลมหายใจบางวันก็ฟุ้งซ่านนะแต่ว่าส่วนมากพอฝึกไปนา น, นีพอนึกถึงลมหายใจนะจิตก็สงบแล้วจิตมันเป็นแนบไปเคล้าสบายเพลินๆ อ, อยู่กับลมนะมีความสุขอยู่เนะี่ยมีแต่เล่นๆอยู่อย่างเงี้ยนะได้แต่ความสุขความสงบนะต่อมาก็ฟุ้งซ่านอีก ฟุ้งซ่านอีกก็ทำอีกก็สงบอีกยี่สิบสองปีที่ผ่านไปเนี่ยบางวันก็ฟุ้งซ่านบางวันก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบหลวงพ่อเคยเจอคุณป้าคนหนึ่งนะฟุ้งซ่านแล้วสงบอยู่ห้าหกสิบปีนั้นถ้าเราทำแค่สมถะกรรมฐานแนละ้วเราก็จะได้อยู่อย่างนั้นนะได้ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบฟุ้งซ่านแล้วก็สงบจนกระทังหลวงพ่อไปได้ยินคำสอนหลวงปู่ดูลอ่านหนังสือเจอ เลยสนใจไปหาท่านท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลังจากนั้นคอยดูของเราทุกวันเลยนะตอนนั้นยังรับราชการอยู่ปีสองห้าตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ดูจิตดูใจตัวเองแล้วตื่นนอนมานึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์ใจนี่แห้งแล้งเลยแห้งแล้งขี้เกียจไปทํางานใครเคยเป็นไหมพอนึกได้ว่าวันจันทร์นะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์มันสดชื่นรู้สึกไหมมันสมชื่อวันศุกร์มันสดชื่นดี แล้วถ้ายิงใกล้ลองวิกเอ็นนะยังไม่ทันถึงลองวิกเอ็นจริงๆเลยใกล้ใกล้เท่าน่ะก็เริ่มมีความสุขแล้ะเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะเรารู้ทันใจของเราเลยพอตื่นปุ๊บใจมันก็เริ่มชิดไปวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแรงวันนี้วันอังคารนะแห้งมากกว่าวันจันทร์อีกวันนี้วันพุธนะไม่แห้งมากแต่เบื่อะพอถึงวันพฤหัสเริ่มมีความสุขและเริ่มรู้สึกไหมพวกที่รับราชการนะถ้าพวกเอกชนทํางานหกวันวันพฤหัสยังไม่มีความสุข ต้องวันสุขถึงจะเริ่มมีความสุขนี่เราดูใจของเรานาะใจเราแต่และเวลาแต่และวันเนี่ยไม่เหมือนกันตื่นขึ้นมาแล้วไปอาบน้ําคนสมัยโบราณอย่างหลวงพ่อเนี่ยอาบน้ําในตุ่มตุ่มดินนะพอหน้าร้อนนะตาเรามองเห็นตุ่มน้ํำนะดีใจหมายตัวร้อนเหนียวเนหนอะหนะแล้วจะได้อาบน้ํานี่มันดีใจเรารู้ว่าดีใจนะพอหน้าหนาวหรือตอนฝนตกเห็นตุ่มน้ําใจมันสยองเลย แต่มันสยองรู้ว่าสยองนะนี่หลวงพ่อฝึกมาอย่างนี้แหละรู้สภาวะลงไปซื่อๆเลยรู้ไปด้วยไม่คิดนะว่าจะบระรลุมรรคผลเมื่อไหร่ลืมคําว่ามรรคผลนิพพานไปหมดสิ้นเลยรู้แต่ว่าสภาวะในปัจจุบันเป็นยังไงแต่เดิมนะั้นนั่งหายใจอยู่ทุกวันนะั้นอยากได้มรรคผลนิพพานพอหลวงปู่ ด, ดูลมาสอนดูจิตตัวเองรู้สึกมันน่าสนใจทําไมเราไม่เคยรู้จากจิตรู้จักใจตัวเองสนใจพอสนใจนะักขยันดู มีฉันทะมันพอใจที่จะดูมันก็เกิดวิริยะที่จะดูจิตใจคอยจดจอ่อที่จะดูเรียกว่าจิตตะจิตใจคอยคล้เคลียที่จะดูอยู่เรื่อยรเรียกว่าวิมังสาเราคอยดูของเราอยู่อย่างนี้แหละมันดูเองไม่ได้คิดถึงมากผลนิพพานอะไรเวลาจะกินข้าวตามมองเห็นอาหารปุ๊บใจมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเจอของชอบเราก็ดีใจใช่ไมเจอของไม่ชอบเราก็ไม่ค่อยพอใจ บางวันเจอของชอบสมมตินะว่าหลวงพ่อชอบไข่เจียวต้องบอกว่าสมมติถ้าบอกว่าหลวงพ่อชอบไข่เจียวนะเดี๋ยวไข่เจียวท่ววัดกลายเป็นวัดไข่เจียวว่านารามถ้าเราชอบไข่เจียวตามองเห็นไข่เจียวดีใจเอาตักใส่ปากวิ่งไอ้คนทอดไข่เจียวนี่มันลืมใส่น้ำปลาเจียสนิทเลยมันเหมือนไข่ตุ๋นมากกว่าไข่เจียวนะชักโมโหและะห้วโมโหเรารู้ว่าโมโหนี่เราใครรู้ความรู้สึกของเราไป เสร็จแล้วจะไปทํางานนะไปทํางานขึ้นรถเมล์รอรถเมล์รถเมล์ไม่มาสักทีนะคนก็เต็มเลยคนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เยอะแยะมีเพื่อนเยอะรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหมไม่สดชื่นนะเยอะอย่างนี้จะไปได้เปล่าก็ไม่รูนะ้เราก็รู้ทันใจของเราที่มันกระวนกระวายรถไม่มาสักทีนะยิ่งกระวนกระวายกลัวไปทํางานสายพอเห็นรถมาดีใจนะโอ้ขึ้นไม่ทันใช่ไหมผิดหวัง รถใหม่คันนึงว่างมาเลยนะวิ่งว่างๆมาดีใจใหญ่เลยคราวนี้จะได้ขึ้นแนะ่มันไม่ยอมจอดด่ามันนะด่ามันในใจนะโมโหมันนะรู้ว่าโมโหเนะี่ยฝึกอย่างนี้นะขึ้นรถเมย์ได้ดีใจรู้ว่าดีใจขึ้นไปนานๆรถติดนะชักงุนงิดอีกแล้วรู้ว่างุนงิดไปถึงที่ทํางานแล้วดีใจว่าถึงที่ทํางานแนละ้วนี่หลวงพ่อดูขอหลวงพ่ออยู่อย่างเงี้ยนะดูอยู่อย่างเงี้ยจะกินข้าวจะอาบน้ําจะนั่งรถนะ จะทำอะไรทำอะไรเราดูของเราอยู่อย่างนี้ดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความรู้สึกในใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวไม่หลงหมวนเบียนหมดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามดูตามรู้ไปเรื่อยเนี่อยนี่หัดง่ายๆนะมันจะยากอะไรนะพวกที่มาเยอะๆนะสมมุติว่าเขาเรียกอะไรนะเท่าแก่ไม่ใช่เท่าแก่ล่ะ ที่เบอร์หนึ่งของบริษัทเลยเขาเรียกอะไรเออเจ้าของออาเจ้าของก็ เ, เจ้าขอ ง, อของวันนี้เจ้าของหน้าหยิกใช่ไหมเราเป็นลูกน้องเห็นเจ้านายหน้าหยิกใช่ไหมใจเราก็ชักไม่ค่อยสบายใจไม่สบายใจเรารู้ว่าไม่สบายใจวันนี้เจ้านายมายิ้มแย้มแจ่มใสนะเราสบายใจเรารู้ว่าสบายใจเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แหละนะถึงเวลาเราเห็นหน้าเพื่อนเราคนนี้เกลียดที่หน้ามัน พอเห็นหน้าพบใจมันเกลียดนะรู้ว่าเกลียดเลยเห็นคนนี้เราดีใจโอ้เพื่อนคนนี้เพื่อนซีเราเดี๋ยวกลางวันนี้จะชวนกันไปกินส้มตำนะเพื่อนซีเห็นเพื่อนซีมาดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยฝึกไปฝึกไปอย่างนี้แหละแต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะฝากให้ทุกคนเอาไปประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้าไว้ถ้าเราไม่มีศีลห้าจิตใจเราจะฟุ้งซ่านแล้วจิตใจฟุ้งซ่านแล้วภาวนายากดูสภาวะยากนะฟุ้งเกินไป งั้นมีศีลห้าไว้นะจิตใจจะได้ปลอดโปร่งคนถือศีลห้าแล้วจะปลอดโปร่งคนไม่มีศีลจะเครียดอย่างจะโกหกเขาเครียดนะจะโกหกยังไงให้เขาเชื่อโกหกแล้วต้องจําไว้อีกเหนื่อยนะต้องจำโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้โกหกอีกคนหนึ่งอย่างนี้วันหนึ่งไอ้สามคนนี้มาเจอกันจะทํำยังไงเนี่ยมีเรื่องต้องครียดเคลียดหมดเลยคนถือศีลสบายใจไม่มีภาระเราั้นเราถือศีลห้าไว้นะไม่ต้องใหนะ้หลวงพ่ อ, อแจกแจงนะว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง เดี๋วไปหาอ่านหาฟังเอานะแล้วก็ตั้งใจรักษาไว้รักษาแล้วนะแต่ละวันก็ปล่อยรู้สึกไปดูจิตดูใจของเราไปหัดดูจิตดูใจไปช่วงหนึ่งนะจะรู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตหรอกนะเราจะพบเลยว่าเออเวลาตาเรามองเห็นแล้วจิตมันเปลี่ยนเวลาหูได้ยินจิตมันเปลี่ยนอย่างตาเราเห็นนะ่ะเห็นเพื่อนเราจิตมันดีใจเห็นศัตรูเราจิตมันโมโหนะ หูได้ยินเสียงนะเดินเดินอยู่ได้ยินเสียงไอ้บ้าใครมาด่าเราวะโมโหแล้วหันไปเห็นอันนี้เพื่อนเราเนี่ยคําว่าไอ้บ้านนี่เป็นคําทักทายไม่โกรธแล้วใช่ไหมบางทีมเรียกชื่อพ่อนะเด็กสมัยหลวงพ่อจะไม่รู้จักชื่อเพื่อนรู้จักชื่อพ่อมอีวันหนึ่งนะไปบ้านเพื่อนเพื่อนมันชื่อวินัยนะพ่อมันชื่อชานไปถึงหน้าบ้านตะโกนเสียงเลยไอ้ชานโมย พ่อมตะโกนโว้ยเหล่านี้โอ๊ยตายแล้ววะเนี่ยเสียงกระทบหูนะความรู้สึกก็เปลี่ยนนะจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนยกตัวอย่างเราเดินเดินอยู่นะอยู่ในบ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าเนนะไม่สบายใจนะตัวอะไรมาตายอยู่ในบ้านจิ้งจกตุ๊กแกหรืออะไรมาหรือหนูมาตายในบ้านไม่สบายใจแค่ไม่สบายใจนะมาเดินในวัดได้กลิ่นอะไรเน่าเนะ่แล้วกลัวนะ เออไม่ใช่แค่ไม่สบายใจแต่กลัวนี่ผีมาล้วใช่ไเนี่ความรู้สึกเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นนะความรู้สึกก็เปลี่ยนะลิ้นได้รสความรู้สึกก็เปลี่ยนไอ้ น, นี้อร่อยไอ้ น, นี้ไม่อร่อยนะความรู้สึกก็เปลี่ยนกายได้สัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมคนเอามีดมาเฉือนเฉือนเรานี่มันเจ็บนะเอาไม้มาตีมันเจ็บนะความรู้สึกเรามันจะไม่ชอบนะ คนแหมสาสาวมารูปๆนะมือนุ่มๆมารูปนะแหมสบายใช่ไหมบางคนต้องไปเสียเงินจ้างเขานวดอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรส่วนมากเป็นโรคจิตนะี่มันเครียดโรคจิตนะมันเครียดแล้วไปให้คนมาบีบมานวดเลยนะแล้วก็บ่นไปเรื่อยมีอะไรก็รำพันให้หมอนวดฟังอันนี้หลวงพ่อไม่เคยนวดนะนะกระทั่งทุกวันเนี้คนมาขอนวดให้นะมีหมอนวดดีจากที่นวนที่ดีขอนวดหลวงพ่อไม่ให้นวดหรอกหลวงพ่อขี้จักรจี นวดไม่ได้เนะนี่ยไม้ต้องเสียตังไปนวดนะเพื่ออะไรสัมผัสแหมสัมผัสแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยเนี่ยสัมผัสเกิดขึ้นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไปให้สาวสาวนวดใช่ไหมความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งแม่บ้านมานวดให้ความรู้สึกเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉนั้นเมื่อมีสัมผัสแล้วนะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเนี่ยสัมผัสเฉยเฉยเนี่ยนะมันมีเวทนาเฉยเฉย แต่เสร็จแล้วมันจะมีการตีความมีการให้ค่าว่าอันนี้ดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจเสร็จแล้วมันจะเกิดรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นที่ใจะที่แรกมันอยู่ที่กายรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อยู่ที่ใจรู้สึกโลภโกรธหลงหรือว่าเกิดกุศลเนี่ยอยู่ที่ใจตามหลังการกระทบมานี้บางทีไม่เริ่มจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันทีกระทบทางใจเลยที่ใจมันคิดขึ้นมา นะบางทีนั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนนึงโผล่ขึ้น ใ, นในใจเราโอ้ยนี่ศัตรูเราเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยใจมันเกลียดขึ้นมาได้ในปัจจุบันเลยนะลความรู้สึกมันเปลี่ยนมันมีการกระทบความรู้สึกมันเปลี่ยนกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะมันต้องมาแปลความหมายทางใจก่อนใจเราถึงจะเปลี่ยนกระทบทางใจนี่มันแปลเรียบร้อยนะแต่มันก็ใจเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง นะเป็นกุศลบ้างเป็นโลบโกรดหลงบ้างมีปีติบ้างมีความสงบบ้างมีฟุ้งซ่านบ้างมีหดหู่บ้างมีสงสัยบ้างสภาวะทั้งหลายนะ้หมุนจี๋จี๋อยู่อย่างนี้ทั้งวันเราหัดดูไปเรื่อยๆดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปทั้งสิ้นจำไว้นะพวกที่มาใหม่ๆอย่างเราดูเห็นใจเราโกรธเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อให้หายโกรธ แต่เราดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าความโกรธนะั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเวลามันมามันก็มาของมันเองนะเราไม่ได้เชิญมันก็มาเข้ามาในใจเราพอมันมาแล้วเราตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆมันก็หายไปนะเพื่อเราหัดดูสภาวะทั้งหลายนี่ไม่ใช่เพื่อเข้าไปแทรกแซงเพื่อไปควบคุมเพื่อไปบ่งการสภาวะทั้งหลายใจมีความสุขรว่ามีความสุขเพื่อให้เห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป ใช่มีความทุกข์นะรู้ว่ามันมีความทุกข์เพื่อให้เห็นว่าความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปนะไม่ว่าอะไรอะไรนะเราดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่ใช่ดูเพื่อจะควบคุมมันไม่ใช่ดูเพื่อแทรกแซงเพื่อบังคับมันนะอย่างมีความทุกข์เกิดขึ้นพอเราไปรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำยังไงจะหายทุกข์ถ้าเราดิ้นรนทาให้หายทุกข์นะไม่ใช่วิปัสสนาละ ถ้าวิปัสสนาเราก็จะดูไปว่าสภาวะของความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมานะเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปในการที่เราคอยดูสภาวะทุกอย่างเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วหายไปนะความโลภมาแล้วหายความโกรธมาแล้วหายความสุขความทุกข์มาแล้วหายฟุ้งซ่านปดหู่สงสัยมาแล้วหายอะไรๆมาแล้วก็หายไปหมดเลยนี่หัดดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี ด, ดูซ้ําๆไปถึงจุดหนึ่งใจมันจะสรุปได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาง่ายๆแค่นิ่งนั้นเราอย่าไปแทรกแสงยกตัวอย่างนะบางคนนั่งๆแล้วใจมันไหลไปคิดถ้าใจมันไหลไปคิดเนี่ยถ้าการปฏิบัติที่ถูกต้องคือรู้ว่าจิตหลงไปรู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปจิตมีอุท ธ, ธัจจรู้ว่ามีอุท ธ, ธัจจจิตมันฟุ้งไปจิตมันไหลไปคิดรู้แค่นี้พอละ เพราะเราส่วนใหญ่นะพอใจไหลไปคิดพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยคิดหนอคิดหนอเยไปคิดหนอทําไมตรงนั้นตกจากวิปัสสนาเลยเมื่อไร่เราไปใช้ความคิดเติมลงไปปับ๊บเนะีตกจากวิปัสสนาเมื่อนั้นเลยนะเพราะนั้นถ้าเราต้องเห็นตัวสภาวะนะเมื่อไร่เราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะเมื่อนั้นเราจะไม่รู้เมื่อไหรรู้เมื่อนั้นเราจะไม่คิดนะเพราะฉะนั้นอย่างใจเราลอยไปปุ๊บเรารู้ว่าใจลอยนะเราจะเห็นเลยจิต ที่ลอยไปหลงไปตะเที้ยวดับไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแทนใช่ไหมจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ฝึกไปอย่างนี้นะพอรู้ตัวขึ้นมาได้ประเดี๋ยวหนึ่งลอยไปอีกล้ตอนลอยไปเนี่ยรู้ไม่ไดนะ้ตอนใจลอยไปรู้ไม่ได้นะลอยไปสักพักหนึ่งสติเกิดระลึกได้นะจําสภาวะของความใจลอยขึ้นมาได้สติระลึกขึ้นมาปั๊บความใจลอยดับลงไปอีกแ ล, นะแล้วเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็ใจลอยไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึก อย่างนี้ใช้ได้นะส่วนอีกพวกหนึง่งพวกนักปฏิบัติทั้งหลายพอใจลอยหลงไปคิดทุกพอรู้เนี่ยปุ๊บจะไปเพ่งไว้ทํายังไงจะไม่ใจลอยหรือว่าไม่ชอบใจลอยนะไปบริกรรมพุทโธพุทโธนะคิดน้อคิดน้อน อ, อะไรอย่างนี้นะอันนี้ตกจากวิปัสสนาแนละ้วิปัสสนาต้องรู้ตัวสภาวะนะไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดมาไหร่จะตกจากวิปัสสนาเมื่อ น, นั้นเลยความคิดเนี่ยมันทําให้เรามีปัญญาได้สูงสุดนะัแค่สัมมาสนาญาณ สมาธิยาญาณยังไม่ขึ้นวิปัสนาวนะิปัสนาต้องเริ่มที่อุทธยพปายญาณเห็นสภาวะจริงๆเกิดดับไม่ใช่คิดเอานะนั่นเราต้องดูนะดูสภาวะไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทั้งสิ้นพระโสดาบันคือท่านผู้รู้ความจริงท่านที่จิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป ตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่สภาวะที่เกิดดับเทนั้นเองรูปธรรมเกิดดับไปเรื่อยๆรูปธรรมไม่ใช่ตัวเรานา ม, มาทำทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆนา ม, มาทำไม่ใช่ตัวเราสิ่งทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะเมื่อเห็นอย่างนี้นะละสักยติทิฏฐิได้จะเกิดอริยมรรคกระบวนการแห่งการเกิดอริยมรรคมีอยู่จริงๆนะจิตจะรวมเข้าอัปนาสมาธินะเราเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่สองขณะบ้างสามขณะบ้างนะ เสร็จแล้วมันจะวางสภาวะทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตรู้อริยมรรคก็จะแหวกสิ่งซึ่งห่อพุ่มปกคลุมจิตอยู่แวกออกไปขาดออกไปนะจิตเข้าถึงทำแท้ๆสองขณะบ้างสามขณะบ้างไม่เท่ากันแต่ละผลจิตถอยออกมาเนี่ยเราจะทวนกลับเข้าไปพิจารณารู้เลยว่าตัวเราไม่มีไม่มีอีกต่อไปแล้วไม่มีแม้แต่เงานะอะได้แค่นี้เชิญไปถัดข้าวนิมนต์ครับนีมนต์